ตรงนี้เป็นมกุูดพันธนเจดีย์นะตรงนี้นะครับนะเป็นมกุูดพันธนเจดีย์เป็นที่ไหว้พระพุทธสรีริของพระพุทธเจ้าองรงอรนิพานที่นูน่นที่สารวนโนทยานเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอามาถวายพระเพลิงที่นี่ ว่าน่าจะอามาตั้งที่นี่ใช่ไหมเอามาตั้งที่นี่าานจนครบเจ็ดวันเอเพื่อรอพระมหาคัศปักขถ้าไม่รอพระมหาคัศปักข์็น่าจะอถาวายเพลิงเสร็จก่อนนั่นแหละจะถาวายเพลิงจุดเพลิงแล้วไม่จีตพระเท ว, วดาเขาไม่จีบเพรานั่นนะ เดวดาวเขายังรู้จักว่าสิทสํสำคัญองค์หนึ่งพระมหากษัตริ์มายังไม่ถึงพระมหากษัตร์มาทันเวลาพอดีในในระหว่างนั้นคือว่าพระบาทของพระองค์เนี่ยโรมาให้พระมหากัตระ์ได้กราบด้วยด้วยด้วยพระเศียรเอาหัวไปจดพระบาทนะกราบแล้ถึงบุญถึงคุณ นะเป็นวันครอบเจ็ดวันพอดีจากนั้นก็เคลื่อนทิพย์ก็ติดเลยไม่ต้องมีใครหยุดเทวดาจุดเทวดาจุดเทวดาหยุดของมันอย่างที่เราฟังเมื่อวานนั่นแหละหลังจากหยุดเสร็จแล้วตรงตรงอธิษฐานไม่มีที่ไม่ไหมมีอะไรมีผ้าขาวกี่ผืนนะผเดียวแหละผ้าขาวไม่ไหมมีอะไรนะกระเที่ยวแก้ว ทั้งข้างบนหนึ่งคู่ข้างล่างหนคู่ซ้ายขวากับาากล า, ายพระราคควันในปาราในปาราราคควัญไม่ไหมแท้ที่จริงก็ไหมนั่นะแหละไม่เป็นไม่จนย่อยออกมาเป็นอัฐินั่นแหละแต่ก็ยังคงเหลือไว้หเห็นว่างั้นเถอะไม่ย่อยละเอียดเหมือนชวนอื่นแต่ถึงยังไงก็ตามพระธาตุของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะคงที่เท่าเดิมแบ่งไปแล้วก็หมดไปแบ่งไปแล้วก็หมดไป ลงอธิฐานให้มากมูลเพิ่มพูนมากเท่าไหร่ก็ได้เป็นการเผื่อแผ่ให้กระจายไปทั่วๆลงเป็นบุคคลพิเศษพิเศษตามความนึกคิดของลงอย่างแท้จริงทุกอย่างเป็นไปตามความนึกคิดในพระไัยขององนึกคิดยังไงก็เป็นอย่างไงนึกคิดยังไงก็เป็นอย่างงั้นเพราะมันสําเร็จรูปมาที่ใจเนื่องจากว่าเป็นผู้เลิดเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ พ, เเพิเศ ษ, เ ร, เศษรู้จะภาวนาอย่างไรได้ ได้ครบตามคุณสมบัติที่เรง ส, งสร้างสร้างมาเพื่อมายืนอยู่บนฐานะตรงนี้ซึ่งเป็นฐานะที่พ้นทุกข์พ้นโทษจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดของเราเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงหนักกติจัสมบุกบาททั้งสายเกิดทั้งสายดับนั่นบางทีเราก็ได้ปรณาถึงพระภารสก์ วิจยาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันเป็นการเป็นบทลงนะส่งนพระสงฆ์เรายุมไพรแล้วก็เอาไปพิจารณาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาตวายะธรรมโนอบุบัติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุปาคิตวานเนรุชนตีนอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วย่อมดับไปอ เอสังหูปะสโมโอสุขโขทำไงเราจะสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้การสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้อยู่เป็นสุขเป็นสุขไปสุขแต่ยิ่งเอสังหูปะสมโมสุขโขสังขารทั้งหลายมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยทรงต่อเนื่องกันมาเพราะยพระพุทธเจ้าท่านที่เอาหลักเหตุคนนั้นแหละมาสอนพวกเรา เช่นอย่เบื้องต้นของมนุษย์เกิดขึ้นมาจากอะไรศาสนาอีสลามก็สอนไปทางสัรนานาะแต่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าการอุบัติเกิดขึ้นของเรานั้นนะไม่ปรากฏตั้งแต่เมื่อไรตอนไหนอะไรยังไงแต่หาอุบัติเกิดขึ้นมาได้เพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจที่เรียกว่าอวิชชาวิช า, า, ชามีทารู้อยู่แต่เป็นทารู้ที่ยังหลงไปหลงไป มีท่ารู้มีคุณสมบัดอยู่ในนั้นค้างพร้อมอยู่แต่ยังหลงอยูหลงตัวเองอยู่เอาวิชาเป็นปันจจัยเลยก่อเกิดสังขานอยู่ร่ําไปมีการยึดมู่นมีการยึดนี้เพราะผู้รู้ของเราบำบัดขึ้นมาด้วยความไม่บ่อยสุดสําเร็จรูปมาอย่งไรเราทราบไม่ได้พัฒนามายัางไงเราก็ทราบไม่ได้แต่มันสําเร็จรูปมาแล้วอ่ะเป็นเป็นเป็นท่ารู้เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณของรับรู้รอบสาก เราผู้รับทราบเหมือนอย่างที่เรารู้รู้กันอยู่เลยพฤติกรรมทั้งหลายของผู้รู้ของเราไปยึดนู่นยึดนี้ยึดอะไรต่ออะไรสารพัดเพราะธรรมชาติของมันเนี่ไปรู้ไปประสบพบเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะสัมผัสไปแล้วมีความสุขเพอสัมผัสไปแล้วมีความสุขก็จิตใจเมื่อจิตใจยยึดขมายึดขมายึดขมายึดขมามบางอย่างเมื่อเราสัมผัสไปแล้ว ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งที่ทางกายพอสัมผัสไปแล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขใจทําให้เกิดความเป็นทุกข์ในหัวใจพลักคอไปพลักออกไปนี่คือธรรมชาติของจิตคือของผู้หูของเรารักสุขเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์ถ้าเราจะรู้มาน็คือเป็นการก่อเกลีดกัรหายจากในหัวใจของเรายึดเขามายึดเขามายึดเขามาจนเป็นเหตุเกิดความโลภ น, นาสาหัส ต, ตกปลึกเปนน้ำหมักง้ำดองพวกเราไว้ในภพชาติไม่รู้จักสิ่งไม่รู้จักสุดความโกรธสะสมมากีก่บทั้งกี่ปุรชาเนื่องจากว่าไม่ชอบใจเพราะไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์สัมผัสแล้วมีความทุกข์ชอเก็บมาสัมผัเห็นรูปก็ตามสัมผัสด้วยรูปสัมผัสเด็ดทังตาสัมผัสแล้วไม่เป็นความสุขไม่ชอบใจไม่พอใจสิ่งเหล่านี้มันชี้บอกมาในปัจจุบันของพวกเราได้ทุกคน จะเป็นทางหูทางจมูกทางเล็บไปสัมผัสแล้วมันเป็นสิยงที่ไม่ไม่สดใจไม่ถูกใจมันก็ผลักออกไปผลักออกไปมันเป็นเหียบขัดเข้าไในหัวใจของเราเพราะไปสัมผัสแล้วมันประสบทุกเราชอบแต่ความสุขไม่ชอบความทุกความสุขเราไปยึดเข้ามาเกีเย่ยงให้เกิดความโลภความทุกมันก็ผลักออกไปเป็นเหี้ยให้เกิดความโกรธการยึดเข้ามา ก็ยังไม่ได้กลั่นกรองถึงเที่ยงข้อมูลที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นยังไงไม่ทราบเราะที่จริงว่าคืออะไรเป็นไรยําไมายึดม า, ด, มาด้วยอํานาจของความอยากเห็นว่ามันถูกใจมันชอบใจแต่มันมีสิ่งที่เป็นพิษเคลือบแฝงมาจนในนั้นกลักออกไปผลักออกไปก็ไม่ทราบไม่ทราบ ส, สาเหตุที่แท้จริงเพราะเหตุใดมันจริงชอบเพราะเหตุใดมันจริงไม่ชอบมาได้พิจารณาใกล้ขุ่นหวนแท้ที่จริงเจ้าอํานาจของความอยาก อยากชอบแสดงอะไรตามความชอบใจนี้พอใจก็ยิดเข้ามาไม่พอใจก็ปรักออกไปวัตถุสิ่งเดียวกันบางคนยิ้มเข้ามายิ้เข้ามาบางคนก็ปรักออกไปปรักออกไปหรือวัตถุสิ่งเดียวกันนั่นแหละหน้าที่นี้ยิ้เข้ามาดิ้เข้ามาหน้าที่ต่อไปปรักออกไปปรักออกไปนี่คือเหตุปัจจัยเหล่านี้คืออะไรก็คือความปรารถนาะเอาใจใจอย่างนั้นเถอะถ้าหากผิดใจไม่ถูกใจเขาเป็นอันว่าไม่พอใจไม่โศอารมณ์ ถ้าตกใจแล้วก็ยินดีพอใจยึดถข้มายึดเข้ามาอำนวยความสุขเพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์แบบนี้พูะพุทเจ้าก็ให้ความหมายว่าเป็นสุดเขเวทนาหรืยระดับเวทนาอยู่ระดับ เ, บเป็นทุกข์ก็คือทุกขเวทนาอยู่ในระดับความสุขก็เป็นความสุ ข, ขที่เวทนามันเป็นผลเกิดขึ้นจากการที่ไปสัมผัสสัมพันธ์ทาให้เกิดผลต่อเนื่องจากใจของเราเท่านั้นมันไม่ใช่ บริสุทิ์สุทธิด้วยข้อเทจ็จจริงด้วยสัจธรรมเพราะฉะนั้นกิริยาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อํานาจของความลุ่มหลงไม่รู้ข้อเทจ็จจริงท่านจึงเห็นว่าอันนี้แหละคืออานาจของความโลภของความโกรธด้วยอํานาจของโมหะคือความหลงหลงหลงโลกงั้นเถอะหลงโกรธไม่รู้ข้อเทจ็จจริงว่าอะไรยึดขมายึดขมาเน้ออกเพียข้อเท็จจริงว่าอะไรปลักออกไประออกไป ผู้วิจารณนาเรามาค้นคว้า ม, มาศึกษาเรื่องเหล่านี้เลยเพื่อรู้ที่ไปที่มาของขอ ง, ของศัจธรรมเหล่านี้อภิชาความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นให้เรายึดเมื่อที่เรายึดออกมาเป็นกองสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปวิญญาณในเช่นี้ก็หมายถึงจิตของเราหมาเป็นธาตุรู้ของเราในเมื่อเรามีธาตุรู้แล้วธาตุรู้นี่ก็มันก็มีพฤติกรรมสสแสวงหายอยู่ท่าไป บางพบบางชาติก็มีทั้งรูปมีทั้งนามเหมือนอย่างพวกเราเป็นมนุษย์มีทั้งรูปมีทั้งเวทนาสัญญาสัญขญันวิญญาณมีเป็นนามมีทั้งรูปมีทั้งนามใ น, นปัจจัยเกิดวิญญาณมีวิญญาณนี่มาจากจิตนะจิตนี้มันโผล่ขึ้นมาจากความไม่ถึงชี้ไปชี้ไปชี้ว่าเหอปัจจัยที่จะไม่เกิดจิตที่เชียงแค่แ น, น่นอนโดยลำพังของพระพุทธองค์ท่านรู้แต่เอามาสอนพวกเราเนี่พวเรารู้แต่ยาก พระเจ้าพระองค์ทรง ต, งตั้งไว้ให้เป็นประเด็นปัญหาให้เราได้พิจารณาว่าความไม่รู้เป็นเหียให้เรายดๆๆๆๆๆๆรึดยึดยึดยึดทุกอย่างยึดสารพัดเรื่องที่ความไม่รู้นี่แหละความคิดก็ยึดความถูกก็ยึดไอ้ความยึดกับสัจจะข้อเ ท, ท็จจริงกับสิทท่งที่เรายึดน่ะบางทีมันคนละเรื่องบุงทีนคนละโลกกัเลยเรื่อความสำคัญ ม, มั่นหมายไม่รู้ตามข้อเ ท, ท็จจริงนั้นนี่คือความลุ่มหลงคืออวิชชาความโลุความหลง เป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสัมผัสคืออายตนาเป็นปัจจัยเกิดปัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาความสุขความทุกข์มันวนกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะปัญหาเก่ามันมาส่งธรรมาแล้วความโง่เก่ามันส่งธรรมาแล้วความโง่ใหม่มันก็เพิ่มเข้ามาอีกคือปัญหาเก่ามันส่งธรรมาแล้วปัญหาใหม่มันส่งธรรมาอีกโดยเหตุที่เรายินดีพอใจในความสุขอ่าแล้วก็ไม่พอใจในความทุกข์เนี่ย เกิดเหตุใหเกิดเวทนาเวทนาเราก็ยึดสิ่งดีหน่าดีใจเราก็ยึดเข้ามาไม่น่าดีใจก็ผลักออกไปที่เรียกว่าเวทนาการ้ดที่เราปล่อยให้เวตนาโผล่ขึ้นมานนหมายความว่าอากตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาปัญหามันแทรกเข้าไปในในนั้นแล้วปัญหามันพา ย, ยุตเพรา ะ, ะนับเวทนาจึงเป็นปัจจัยเกิดปัญหาปัญหาเม่มันโผล่ขึ้นมาหน่วยใจของเรามราก็ยึดเอายึดเอายึดเอายึดึเป็นปัจจัยเกิดอุปาทาน ว่าทานเป็นปัจจัยเกิดเพราะบที่เกิดเป็นปัจจัยเกิดชาติคือมีตัวมีตนที่จะไปอบัติในพบของชาตินั้นนั้นการพิจารณาเพื่อทําลายการจะไม่อบัติในพบเหล่านั้นคือทําลายอัตตาตัวตนเมื่อเมื่อโผล่เมื่อม่นมีอัตตาตัวตนแล้วมันไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนแล้วไม่รู้จะไปอุบัติที่พบไหนไม่รู้จะไปอบัติที่พบในไอพบกับตัวตน กาที่จะ ย, ยึดพบที่นู่นที่นี่จะไปสําคัญมั่นหมายว่าจะไปเกาะที่นู่นที่นี่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพบมัมนจึงไม่มีพูดจะ ไ, ไปเกิดในเพราะมันไมีมไม่มีพูดจะไปเกิดใพบพบเลยไม่จำเป็นต้องมีอีกหมามว่าหลักปฏิจะสมุปบาทท่านสอนให้เราพิจารณาหมดถูกไหถ้าเรายึดยืดยึดตลอดสายเกิดตันหาเกิดถูปาทานเกิดพบเกิดชาติก็คือที่เกิดชาติ คือมีสัก์ไปเกิดไป บ, บัดนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเ ท, ท่กับผลเสวัตุคตบุนักสัตว์ปญญาตามลําดับของหลักปฏิจจ์ทีนี้เวลาดับเรามีชีวิตยอยู่เราตั้งใจบําเพ็ญเวลาจะดับเราจะดับตรงไหนท่านให้เรามาตั้งสมรภูมิอยู่ตรงนี้แหละตรงความยินดีตรงความไม่ยินดีนี่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้พิจารณากำหนดจุดจ่ออยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้สัญหามันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามันคิดจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ เราขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นปัญหาใหม่พอกคูนขึ้นมาโผรขึ้นมาว่าเป็นปัญหาใหม่พอกคูนขึ้นมาเราพยายามสกัดลัดขั้นไม่ให้ปัญหาใหม่ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาในเมื่อตัญหาใหม่มันไม่โผล่ขึ้นมาเนือแต่ตัญหาเก่าที่เป็นต้นตอถ้าเราจะเทียบเสมือก็ว่าน้ําที่มันทะลุเข้าไปอยู่ในเรือเราต้องการจะให้เรือเราเบาจากน้ําเหล่านั้นเราก็ต้องอุดรูในเมื่ออุดรู หมายความว่าเราตั้งใจตั้งสติตั้งปัญญาพิจารณาสมบทเด็ดเดไม่ให้อํานาจของความหลงมันไปนครอบงำหัวใจของเราจจะเป็นเหตุให้เกิด อ, อัตราตัวตนโผลขึ้นมาเป็นตัญหาโผขึ้นมาเพิ่มเข้ามาในเมื่อตัญหาใหม่ไม่เกิดอัตราตัวตนใหม่ไม่เกิดอัตราตัวตนเก่าพยายามพิจารณาคลี่คลายเพราะฉะนั้นท่านจะให้มีการพิจารณาแยกยเป็นอย่างขันทั้งห้าท่าให้พิจารณาอย่าง ร, ปประบธรรมมันประกอบไปด้วยยินน้ำโล่ไป ผ่านการพื้นี้พิจารณาย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปท่านชายเราพิจารณาพิจารณาหาอะไรหาตัวตนนะฮหาตัวตนวาจาร์ท่านผึ้ให้เราพิจารณาแยกเป็นพมเป็นค้นเป็นเล็บเป็นเป็นฟันเอาไปตั้งไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองแต่ละอย่างแต่ละอย่างกลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนนึ่ก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินส่วนนึ่เป็นธาตุเป็นธาตุน้ําส่วนนึ่เป็นธาตุลมส่วนนึ่เป็นธาตุไฟมักเกาะมักลุ่มกันนี่ส่วนที่เป็นรูป เก็บน้ำก็คือใจใจกิริยาอาการของใจที่มันแสดงให้เกิดกิริยาเกิดปฏิกิริยาที่จะมาสัมผัสกับกายเนี่ยมีเวทนาเนี่ยเวทนาจิจับรู้รับทราบสุกกายทุกกายสุขใจทุกใจไม่สุกไม่ทุกอยู่กลางกลางกายไม่สุกไม่ทุกอยู่กลางกลางใจมั น, น, มมนพร้อมที่จะโน้มเอียงไปกายมันพร้อมที่จะโน้มเอียงไป ใจความสุขความทุกข์เหล่านี้มันโผล่ขึ้นมารู้รับทราบแล้วก็ไม่ยึดรู้รับทราบแล้วก็มายึดแล้วก็พิจารณาให้เห็นสัจว่าเป็นจริอาการตัวงานที่เรามากำหนดกิดจอบพิจรารณาคือตัวสติธรรมตัวปัญญาธรรมตัวเครื่องไม้เครื่องมือรวมแล้วคือปัญญาปัญญาคือความรู้เราก็มาดเกิดจอดดูความรู้หรือมโอในใจของเราจนเห็นจักเทวะเห็นรู้สัจเทวะรู้ มันไม่มีอะไรโผลขึ้นมาอาการยังยี้ไม่โผขึ้นมาใน น, า น, นั้นนั้นในตอนนั้นอัตราตัวตนไม่โผขึ้นมาโอกาสที่จะไปยึดโน้นยึดนี้มันก็ไม่มีพราะากมันดับดับดับดับอ่เพราะดับตัณหาได้อุปาทานนี้ก็ดับภพประดับชาตินี่กดับที่ว่าท่านไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเพราะมารู้เท่าทันตรงนี้หรือไม่ไปยึดเมื่อไปยึดแล้วครจะไปยึต้องไปเกิด เมื่อไม่ยึดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปเกิดมันไม่มีตัวตนที่จะจะโปล่ขึ้นมาเพื่อที่จะไปยึดมุ่นยึดนี้ไม่มีตัวตน ท, ที่จะให้ยึดแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะพาไปยึดไปเกาะที่โน้นที่นี้มันไม่มีผู้อยากพาไปนําไปในส่วนของจดุจดจบลงตรงนั้นนี่วิธีการดับภพกับชาของท่านตามไปที่เราปล่อยให้มันกาะตัววะครันูจน ถ, ถึงสามพวันติดสมพวันติดขอบกอชาไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ ทีนี้เวลาท่านดับเวลาทัานดับได้อภิชัยยตเววะอเซสตวิราการีโรตดับตัณหาราคะไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่เศษอเซสตวิราการีโรตัดสรงข้ารัชการข้าดับคำว่าสังขารดับในที่หมายความว่าความยากที่จะไปยึดไปเกาะให้เกิดสังขารอีกไม่มีสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับคำว่าคำว่าดับดับดับดับในทีหมายความว่าในเมื่อภพชาติมันไม่เกิดไม่โผล่ขึ้นมาแล้วจะเอาอะไรมามี จะเอาอะไรมามีสังขารจะเอาอะไรมาดยินการจะเอาอะไรมามีนามรูปจะเอาอะไรมามีสลายไมันก็เลยดับลงไปั้งหมดแต่พระองคกม็มาไล่ไล่ไล่ไลลดับให้เราทราบท่านั้นเองโดยวิธีการระดับจริงๆนั้นเรามาพิจารณาตามหลักปฏิปจสมุปบาทมันดับด้วยปัญญาการอย่างนี้นะเช่อย่างเรานั่งตั้งใจภาวนาตั้งแจิตจ อ, อสงบระงะบดับดับในขั้นสมถะเนี่เราก็าสามารถได้ อยู่กับพุทโทพุทโธพูโธความอยากมันไม่ไม่มาแสรกในหัวใจของเรานีเราพิจารณาทดสอบได้ในตัวตัวเราได้เลยเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วท่านให้พิจารณาพิจารณาจนเห็นแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยจนจิตของเรานี่ยอมรับสัตริยธรรมทั่วทั่วไป เข้าไปถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านทําลายความเจ็บเกาะว่าเป็นตัวเป็นตนที่จะเรียกว่าทำลายสัจ ก, กายที่ททททสิ่งสัพพมั่นหมายว่าเป็นกายเห็นเป็นอื่ น, เ, นเห็นเป็นเอกเห็นปัจจัยในเมื่อเข้าไปรู้เข้าไปอยู่อย่างนี้แล้วความชอบใจเหนียวแน่นมัน่นคงมันก็เบาลงไปความโทสนะราคะโทสะเบาท่านท่านบอกมันเบาไปมันเบาไ ป, ม, าไปมันบางไป พิจารณาจนถที่สุดนู้ถึงขั้นที่สองถึงขั้นที่สามมือกระเบ๋าออกไปจากการยึดจากการจาราิตสมาห์ละเอียดขึ้นโดยลําดับคณะพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละเพื่อเป็นการทําลายความยึดจิตเกา ะ, ะในหนัวใจของเราพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาเป็นอุบายเป็นวธีมติตามประพฤติตามปฏิบัติตามทาเนียมทํานานประวัติเราได้ยินได้ฟัง เป็นเหตุทำให้เราทราบเรื่องราวที่เป็นที่มาเป็นเรื่องพิจักพยานข้อเทศจริงทำให้เรารับทราบเด้อุบายได้วิธีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ดั บ, ด, บ, ด, บดับทุกข์ดับโทในวัฏสงสารตามพระองค์ท่านไปที่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ที่มกุฏพันธนะเจดีซึ่งเป็นที่สลายพระปรมศาศรีรสรีระสังขารของพระพุทธองค์หลังจากนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนไปในที่หลายๆแห่ง ไปบัรจุไปทำเป็นเจดีบัรจุเพื่อกราบเพื่อไหว้ในสถานที่ที่ควรสร้างไว้สักรับเปที่คารกสักการะให้แก่ภูริสุดท้ายภายหลังนี้เป็นมหุดพันพนักเจดีตอนนี้ก็เราได้มาถึงให้รบับบริกรรมพันถึงพระองค์เราก็ต้งองตั้งใจเดินตามท่านไปให้เราถึงที่สุด ไปย่อยสลายแต่ธาตุขันย่อยสลายธาตุขันไปย่อยสลายธาตุขันไปโดยไม่มีอะไรเหลือขอให้สิเลสสิเลสทั้งหลายหน่วใจของเราได้ย่อยสลายหมดไปเหมือนอย่างพระองค า, ารเราจะดับขันก็ขอย่อยสลายดับขันไปไม่มีเพราะไม่มีชาติที่จะต้องไปเกิดอธิษฐานให้เราได้เดินตามพระองค์ตามท่านไว้ให้ถึงความที่สุดโดยทัๆๆว่วทั่วโดยทั่วกัน